ว่เรารู้หลักนะเอาไปทำนะหลวงพ่อเทศเสียงแหบเสียงแห้งฟังเราต้องเอาไปทำเดี่ยนีเทศเยอะแต่ละอาทิตย์นะมีเข้ากรุงเทพเข้าอะไรเงี้ยเทศชั่วโมงกว่าๆวเดินทางอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงกรุงเทพนะเห็นแล้วก็ดีอย่างนะเห็น ทุกเห็นโทษเข้าในกรุงเทพนะีเห็นโอ้คนนะั้นมันมีความทุกข์เต็มไปหมดเลยบ้านเมืองไม่น่าอยู่เลยอยู่กันแออัดแย่งเงินทุกสิ่งทุกอย่างแย่งเงินขึ้นรถแย่งเงินขับรถแย่งกันทุกอย่างชีวิตลำบากคนรุ่นต่อไปคงลำบากกว่านี้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 เดี๋ยวนี้เราก็เสี่ยงมากขึ้นนะเราเสี่ยงกับคนด้วยกันเองด้วยมันปั่นทุกสิ่งทุกอย่างได้นะปั่นน้ำมันก็ปั่นได้อะไรอะ้รก็ปั่นได้เราควบคุมตัวแปรในการทำธุรกิจยากมากเลยธรรมชาติก็เสี่ยงด้วยอยู่แล้วนะเดี๋ยวน้าท่วมเดี๋ยวซื้อน้ำมิเดี๋ยวแผ่นดินไหวอนะไรภูเขาไฟระเบิดเลยนี่ก็เสี่ยงเหมือนคนโบราณนะนะั่นแหละ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 พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นนางทาสีโอ้เรื่องยาวสรุปความนะก็คือถูกหลานเนี่ยลูกลูกของมหานามะเป็นผู้หญิงนะมีหลานลูกไอต้ตบไอตบ้ไอตบไม่ใช่เมียเมียของมหานามะที่มีลูกเขาไม่ได้เป็นวรรณะกษัตริย์งัเนเจ้าหญิง คนนี้ที่เป็นลูกมหานาชมะเนี่ยไม่ได้เผียวในวันนงก ษ, ษัตย์พอพระเจ้าประสทธิ์ที่โกษลอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่สาวัตถีอยากเป็นญาติากับพระพุทธเจ้าก็เลยมาขอลูกสาวของสักยะสักยะนี่เป็นพวกที่เย่อหยิ่งในสายเลือดมากเลยไม่ยอมให้สายพันแท้ไปนะเอาูกกับคนใช้ไปให้ไป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 บอกควรประโมทใครโทรศัพท์มาถึงพี่นะบอกว่าพี่ไปประชุมนะพี่จะรีบทำงานฮะใช้เราโกหกว่ะเวรกรรมเอาโทรศัพท์มานะแล้วก็พูดเบาๆมือนับกองสั่งว่าไปประชุมครับอเหมือนกับถือต้นอ้อเลยไม่รู้จะทำไงอ่ะไปนั่งกินข้าว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 คุณธรมความดีทั้งหลายแหลรวมทั้งองค์มรรคทั้งเจดที่เหลือตัวจิตที่มีสมาธิอยู่ตรงนี้เรียกว่ามีสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นที่ประชุมเป็นที่รองรับองค์มรรคอีกเจตัวที่เหลือให้รวมลงในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันเราจะรวมความดีทั้งหลายแหล่ที่เราสะสมมาในวัตตสงสารซึ่งมากมายไก่กองเนี่ยนะจะรวมพลังลงมาในที่เดียวกันคือที่จิตในขณะเดียวกัน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 มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็พ้นไปมันจะแน่สักแค่ไห น, น, นเดี๋ยวมันก็หลุดไม่ต้องกลัวถ้าใครมีการบ้านจะส่งเท่าที่จำเป็นนะหลวงพ่อเนะราสอนละเอียดยิบเลยนะไม่น่าจะสงสัยเลยนมัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อเออมันอยากถามมากๆมานานแล้วนะคะเรอเอาถามน้อย <laughs>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 ให้ทิ้งตรงนี้ไปถ้าถ้าจิตมันติดความสุขเนะี่ยหมายถึงว่ามันพอใจแล้วเราไม่รู้ว่าพอใจให้ทําได้นะใ ห, ให้มีความสุขได้แต่พอใจในความสุขให้รู้รพอเราติดในความสุขแล้วออกมากระทบข้างนอกเนี่ยพยา บ, บาทวิโทมันจะรุนแรงเพราะมันติดสุขครับวิธีแก้ไม่ให้ติดสุข ก, ก็คือรู้ทันว่าพอใจในความสุขถ้ารู้ทันว่าพอใจในความสุขแล้วไม่ติดแล้วเราก็มีความสุขไปเรื่อยๆออกมาจิตไม่ได้ติดเนี่ยไม่ได้หิวความสุขนะ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 ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันประมาณไหนแล้วหลงไปหรือเปล่าหรืออย่างไรอย่างนี้ค่ะก็ะจะรบ ก, กวนเรียนฐานพระอาจารนะคะที่ภาว น, นานดีอยู่แล้วละนะแต่ถ้าทําความสงบได้บ้างก็ดีจิตจะได้มีพลังมากกว่านี้น ะ, นะคือเราจเจริญปัญญาได้เชี่ยวชาญแลนะสติเราก็ดีนะถ้าเพิ่มสมาธินิดหนึ่งให้ใจได้พักเป็นช่วงๆไปอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรน ะ, นะหรือลมหายใจอะไรก็ได้ให้ใจได้พักเป็นระยะระยะบ้าง งั้นเวลาเราเจริญปัญญารวดไปเนี่ยใจมันจะฟุ้งไปการพักนี่หมายถึงอย anyway, ่างเวลาหนูน so ั่งสมาธิเน so, ี the ่ยหนูก็ก็จะจะอยู่ที่ที่ลมหายใจแล้วก็จะเห็นใจมันแวบไปไม่ใช่ไม่ใช่ก็อยู่แค่ลมหายใจนะแต่มันจะแวบมาปุ๊บให้หนูกลับไปที่ลมหายใจเหมือนเดิมใช่ค่กลับมาอาศัยลมหายใจหายใจแล้วมันจะสว่างลองหลับตาซิเห็นแสงสว่างไหม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 ไม่เท่าไหร่เ <laughs> นาะ<ม>พ่อก็ว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอก <laughs> งั้นใจไหลไปเรารู้สึกนะคะไปฝึกต่อไปดีแล้วล่ะขอบคุณค่ะรู้สั้นนะเพราะงั้นต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะไ ป, ไปดูจิตรวดๆตรงๆไปเลยไม่มีป้านอยู่นะบางทีดูไม่ไหวมันฟุ้งไปครับแต่ว่าเวลาเวลาฟุ้งไปพอต้ลมตัวก็จะอยู่ลมหายใจอีก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 คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อแนะนําให้แยกธาตุแยกขันธ์ครับพอ ผ, ผมรู้แล้วว่าผมขาดความตั้งมั่นไปเยอะครับอผมก็เลยช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาผมก็ลมลมหายใจเป็นหลักครับสังเกตไหมว่าสภาวะที่จิตมันติดความสุขของลมมันเป็นยังไงดูออกไหมครั บ, ม, รบมันจะเยิมเยิมนะให้รู้ทันเอานะแล้วใจจะได้ตั้งมั่นเต็มที่ถ้าผมต้องเดินปัญญา